อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมาราปุลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่การหลังการเปิดสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งออกอากาศพร้อมกันทั้งคลื่น a อ f m เนี่ยนะคะเราก็จะเสนอรายการธรรมะดีๆอันชื่อรายการธรรมารอารุลให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อว่าจะได้เป็นความสุขเป็นมงคล แล้วก็ได้แง่คิดดีๆไปปรับใช้กับชีวิตของเราให้มีความสุขสงบอย่างแท้จริงกันเป็นประจำนะคะและทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะหรือสากัะชานะคะซึ่งดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนาธรรมะดีๆในเรื่องที่มันเกี่ยวกับพี่น้องชาวบ้านเราที่เป็นคารวะ น, นี่แหลคะค่ะในหลายๆประเด็น จึงก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการประจําของรายการธรรมารับรุนคงจะทราบกันดีแล้วละค่ะว่าดิฉันจะได้มาพบกับทุกฝั่งทุกๆเช้า ว, วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเราพบกันในเช้า ว, วันนี้เป็นเช้า ว, วันเสาร์แรกซึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งของเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะวันนี้เป็นวันฉัตรมงคลค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่เรียกว่า วันพระแล้วก็เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงด้วยนะคะก็เป็นจิตที่เป็นมงคลอย่างยิ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านซึ่งเป็นพุทธศิกรชาวไทยก็ต้องร่วมจิตร่วมใจกันนะค ะ, ะน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดีแล้วก็ถวายพระพรแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและพระบรมบงวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนื่องในวันฉัตรมงคลวันนี้นะคะ ค่ะสำหรับในรายการธรรมาราปรุลของเราเช้าวันนี้ดิฉันก็จะข อ, อนําท่านผู้ฟังมากราบนำ้ำระสการ์พระอาจาร ย, ย์ไพบุตรอภิปโนพระอาจารย์ผู้อํานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกรันตามพุทธวจนะหรือตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเหมือนเคยนะคะวัดนี้เป็นวัดที่มีความสงบร่มรื่นอยู่ภายใต้ พระกศพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่ตูพาโซนะคะซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโซค่ะข อ, อนำท่านผฟังมากราบนมักการะพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบนมักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิพอนทูเจ้าค่ะบบนในเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันถึงคําสอนของพระพุทธองค์ที่แท้จริงนะเจ้าค่ะเชิพอนอาารก็ได้เมตตาที่จะคุยหลายประเด็นทีเดียววันนี้<จ>เราจะ <Okay. S 2> ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องคองําสั่งพระเา้าที่แท้จริงที่เรากำลังคุยมาเป็นตอนๆเนี่ยนะ <Okay. S 2> จะขอพูดนิดนึงถึงเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองโดยธรรม <Okay. S 2> อย่างที่คุณ <Okay. S 2> คุณเตือนใจพูดถึงว่าวัดป่าเราไหนโศกอย่างเงี้ยเป็นว่าที่สงบร่มรื่นเพรอยู่ใกล้ตาภายใต้การปกครองของหลวงพ่ออย่างเี้ใช่ไหม <Okay. S 2> ซึ่ง <Okay. S 2> ซึ่งหลวงพ่อใช้หลักการปกครองจากไหนนะเราก็พูดถึงสิ่งที่เป็นธรรมะนะคือที่พระเจ้าสอนเอาไว้เ <Okay. S 2> ช่นเดียวกันพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัของเราเนี่ย ก็ใช er e ้สิ่งที่เป็นหลักการในการปกครองเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นธรรมะนะคือธรรมะเนี่ยในสมัยพุทธกาลเราพูดถึงสมัยพุทธกาลก่อนนะราชากษัตร <Okay. S 1> ิย์องค์ไหนๆเนี่ยที่เครียกว่ามาเป็นกษัตริย์ที่ดีได้เนี่ยก็เพราะแต่ละองค์แต่ละท่านนั้นเนี่ยมีธรรมะในการปกครองเนี่สมุทรประชาประสิทธิโกศลก็ตามนะประชาพิมพ์พิสารก็ตามหรือประชาที่เมืองอุชุญญาอะไรต่างๆก็แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็มีธรรมะในการบริหารการปกครองนะเอาง่ายๆเรื่องของศีล แต่ละท่านแต่ละองค์แต่ที่เป็นกษัตริย์กษัตริย์เหล่านั้นเนี่ยก็เป็นการปกครองในระดับนี้อย่างหลวงพ่อสะอาดท่านก็พูดถึงเรื่องของศีลในพระรักษาศีลประเภทไหนประเภทไห น, นมีการระ ง, งับ เ, เรื่องราวต่างๆกันยังไงก็เป็นไปตามธรรมะที่พระพุทธเาบัญญัติเอาไว้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการปกครองด้วยธรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ดีอย่างในวันนี้เราก็เป็นการระลึกถึงว่าเอ้อแหมผู้ปกครองบ้านเมืองของเรานะเราก็ยังปกครองด้วยธรรม เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นข้าราชการก็ตามไหนเป็นประชาชนเป็นผู้มีอำนาจเป็นอธิบดีรองอธิบดีเป็นประหลดัดเป็นแรงต่างเนี่ยเรายิ่งจะต้องเอาธรรมะเนี่ยมาปกครองนะํามาใช้ในในเรื่องราวต่างๆเงี้ยนะในชีวิตของเราเป็นการะระลึกถึงตรงนี้ให้ถูกต้องคุณจอยซึ่งก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงความคําสอนที่แท้จริงของปุโรช่าคุณจอยนะที่ว่าพูดถึงเรื่องของการระลึกถึงอย่างเงี้ย อ, อ, อย่างเราพูดถึงเหรียนรูปเคารพอย่างเรียนพระปุโรชาอย่างเงี้ย หรือว่าเหรียญหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้อย่างเงี้ยเหรียญที่ห้อยคอเนีคุณสนใจเนี่ยหรือไหมรักเครื่องเอาว่าไปนะรักเครื่องที่มีรูปครบต่างๆของหลวงพ่อองค์นั้นตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะระลึกถึงคุณงามความดีของท่านในอย่างคนมีเหรียญร่อห้ย่างเงี้ยเหรียญล่อห้านี้ต้องผ่านการปลุกเสกไหมเออเราก็ระลึกถึงรัชกาลที่ห้าเป็นคนดีนะมีศีลนะมีการปกครองด้วยธรรมแล้วเรามีเหรียญเป็นรูปหลวงพ่ออย่างเงี้ยหลวงพ่อเสด็องคแดวหนึ่งต้องผ่านการปลุกเสกไหม ก็เราระลึกถึงหลงพ่อหลวงพ่อนี้เป็นคนดีนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีแรงต่างๆที่เรานึกถึงแล้วเราก็สบายใจตรงนี้แค่นั้นเองคุณจินใจไหนอะย่างสมมติทำไมเราจะต้องอาศัยเหรียญหรอในการาระลึกถึงอาศัยต้นโพได้ไหมอาศัยต้นโพแล้วนึกถึงบุรุษชาติโอ้บุรุษช้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้นะเมื่อคืนมันเป็น2อ0พันก้อกว่าปีมาแล้วโอ้ซึ้ใจแฮะอย่างนี้ก็ได้คคบางคนอาจจะนึกถึงถ้วยกาแฟเอาถ้วยกาแฟเป็นฐานที่ตั้ง่งการระลึกถึงบุรุษชาติทาไมจะไม่ได้ ได้ง่ายไหนเจ้าคะเขาก็ได้หมดสม ม, มุติเราพิมพ์รูปบริษชาติดไว้ในตัวกุญแถ้วยกาแฟอ๋อเจ้าค่ะคือเราเรามองเห็นอะไรไปเราก็นึกถึงบริษชาได้หมดอย่างเงี้ยอืมเจ้าค่ะเรานึกถึงศีสกุ ข, ของเราก็ได้หมดส ม, มมติเรามองเห็นประกาแท่งนี้อุ้ประ ก, กาแท่งนี้นะเราใช้เขียนแต่คําที่สวยๆงามๆไปให้คนอื่นเขียนจดหมายเขียนโปสการ์ดไปเออประกาศแท่งนี้นึกถึงความดีของเราอ้าวนี่อศีลานทุสติประกาก็เป็นที่ตั้งของการระลึกถึงได้ น ะ, ค, ะคือคือถ้าเราจะไปหวังพึ่งสิ่งอื่นเนี่ยคุณผิดเลยนี่คือคำสอนที่ใช้กับผู้เช่านะผู้เช่าให้พึ่งตนพึ่งธรรมเราหวังว่าโอ้เหรียญอันนี้หรือว่าอะไรนี่ผ่านการปลูกเสกมาลักกี้ว่าจะทําให้ฉันรอดพ้นจากภัยอันตรายอ่านี่นี่นไม่ค่อยถูกตามหลักของผู้เช่าผู้เช้าพูดถึงกรรมแล้วถ้าคุณทํากรรมมาดีคุณมั่นใจได้เลยคุณรอดพ้นจากอันตรายอย่างนี้เป็นตน้นนะอ่าก็ค่ะอันนี้คือคำสอนที่ใช้กับผู้เช่า ในอย่างไอสิ่งต่างๆอะไรที่เรามีเนี่ยคือเป็นแค่ฐานที่ตั้งแห่งการระลึกนึกถึงเท่านั้นเองซึ่งก็จะไม่ออกจากหลักสติปัฏฐานสี่นั่นคือกายเวทนาจิตธรรมต่อให้คุณจะระลึกถึงอะไรก็อยู่ระลึกถึงในกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองนะอย่างระลึกถึงพระเจ้าระลึกถึงคุณงามความดีของตัวเองอย่างเงี้ยก็เป็นจิตจิตตานุปัสนานสีปัฏฐานอย่างเงี้นะอือัอนี้คือเรื่องของการระลึกถึงคือเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนี่ขอโทษจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังหลวงพ่อเล่าให้ฟังหลวงพ่อสะอาดนะจ้าบ้านพระปารณัยโศก พระครูเจธีปปก่อนท่านเล่าให้ฟังว่ามีสมัยก่อนนู่นยี่น้องชายของท่านเนี่ยไปไปรบนั่นคือน้องชายเนี่ยไปรบเพื่อหาเงินส่งพี่ชายมาเรียนหนังสือพี่ชายก็บวชเป็นพระนี่คือหลวงพ่อเนี่แหละบวชเป็นพระมาเรียนหนังสืออยู่ในเมืองไปเรียนบาลีพวกเนี้ยนะก็สมัยนั้นมีสงครามเกาหลีกับสงครามที่เมืองลาวที่ตรงชายแดนลาวอันนั้นที่เขาจะเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรต่างๆเนี่ย ก็สมัยนั้นการสื่อสารต่างๆก็ไม่ดีใช่ไหมก็เลยจะทําไงนาะจะคิดถึงบ้านรูปถ่ายอะไรก็ไม่มีสมัยนั้นแหละหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าน้องชายอ่ะก็ตัดตีนสิ้นของแม่แม่นะมีสิ้นคือผ้าถุงเงี้ยตัดตีนสิ้นของแม่ไปแล้วก็เอาเอาเก็บไว้ในหมวกเก็บไว้ใต้หมวกหมวกไอ้ที่เราไปรบเนี่ยเพื่อที่จะระลึกถึงแม่แทนรูปภาพแทนอะไรต่างๆตรงนี้ก็คือเหมือนพระเครื่องอะที่เราระลึกถึงแม่เข้าใจไหม อนนี้ก็จะไม่อาตมามองว่าโอ้จริงๆแล้วธรรมะมันอยู่ตรงนี้นี่เองธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัตถุธรรมะอยู่ในใจเราธรรมะอยู่ที่สิ่งไหนก็ได้นะที่อยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมาสอดคล้องกับพึ่งตนพึ่งธรรมเข้าใจไหมเจ้าค่ะอ่าอย่างนี้ยเราก็บูชาตีนสิ้นซึ่งก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งมงคลแทนตัวคุณแรกของเราใช่ใช่ซึ่งพระพุทธองค์ก็บอกเช่นกันนะเจ้าค่ะว่า คุณพ่อคุณแม่นั้นเนี่ยเหมือนองค์พระพรหมในบ้านเป็นพระข อ, อ, อ, องเราถูกไหมเจ<ร>้าค่ะต้องเป็นพรหมในบ้านเจ้าค่ะถูกค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหมายใ ห, ให้ให้เราเข้าใจให้ถูกว่าธรรมะอยู่ที่ใจเรานะธรรมะไม่ได้อยู่ในเหรียญธรรมะไม่ได้อยู่สิ่งที่ต้นไม้ธรรมะไม่ได้อยู่ที่ปากกาที่ถ้วยกาแฟที่อะไรต่างอยู่ที่นี่ที่ในจิตเราเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถูกคุณถูกละนะคุณเข้าใจธรรมะถูกละนี่คือตน แล้วก็จะธรรมะไงต้องพึ่งตนพึ่งธรรมอย่างนี้อืมเจ้าค่ะเจ้ค่ะอแล้วสิ่งของเหล่านั้นก็เป็นเพียงเครื่องที่จะเตือนให้เรานึกถึงธรรมะใช่อเจ้าค่ะไม่ไม่ว่าเราจะจากมันสักวันใดวันหนึ่งหรือมันก็จากเราไปก่อนใครจากใครไปก่อนก็เท่านั้นเองเจ้าค่ะแต่ธรรมะแต่จิตเรายังมีอยู่นั้นนะเจ้าค่ะอยู่ในจิตเสมอนะเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะใช่เพราะฉะนั้นอย่างอย่างกรณีของที่คุณใจยกถึงคนที่เขาตายไปแล้วอะ แล้วเรา uh huh. คิดถึงเขามากเลยแต่ถ้าคุณจะคิดถึงให้ถูกเนี่ยนะแทนที่คุณจะคิดถึงร่างกายที่เขาไฟไหม้ไปแล้วหรือแหลกเละไปแล้วเนี่ยนะคุณคิดถึงคุณงามความดีของเขาคนนี้มีคุณงามความดีอะไรบ้างอย่างแม่เราตายนะพ่อเราตายลูกเราตายเออเขาเป็นคนน่ารักนะเาคือต่อให้ชั่วขนาดไหนเนี่ยนะก็ยังมีข้อดีบ้างอะนะ uh huh. อย่างน้อยเขายังมีข้อดีบ้าง อย่างเช่ атель, นเขาเคยทาดีตรงนี้บ้างเขามีศีลส่วนไหนส่วนหนึ่งบ้างเขามีความอดทนบ้างเขามีความขยันบ้างเขามีความน้อมนําตมปจนมีความเมตตาบ้างอย่างนั้นก็กับเราอย่างเงี้ยทําให้เราระลึกถึงข้อดีในส่วนนั้นไว้ของเขานะแล้วเอามาทรงไว้ในจิตของเราเจ้าค่ะก็ชื่อว่าเขาไม่ได้ตายไปจากจิตของเราอืมเจ้าค่ะเขาไม่ได้ตายไปจากจิตของเราเพราะว่าคุณธรรมนั้นๆๆๆเนี่ยยังอยู่ในจิตของเราอืมเจ้าค่ะอันนี้คือการบูชาที่ถูกต้องโดยคุณตื่นใจแทนที่เราจะมาจุดทูปบูชาอะไรต่างๆ อันนี้ก็เป็นการบูชาที่เป็นอารมิตนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการให้ทานไปการให้ทานก็ดีละนะทีนี้การบูชาที่ถูกต้องเนี่ยคือเอาคุณธรรมของคนนั้นเนี่ยมาไว้ในจิตของเราเข้าใจ่างบางคนบูชาเทพเทวดาสักองค์ใดองค์หนึ่งอย่างเงี้ยจุดทูปบูชาต้องทำงํำยี้อะไรงั้นโอ้ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเราพูดถึงเทวดาองค์นี้มีคุณธรรมอะไรเป็นคนกตันยู เ, เราเอาความกระตันยูนั้ น, น, นมาสรงไว้ในจิตของเรา แต่เวลาองค์นี้มีความซื่อสัตย์เอาเอาความซื่อสัตย์นี้มาทรงไว้ในจิตของเราชื่อว่าบูชาละอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะมาทรงไว้ในจิตนี่ถ้าพูดเป็นภาษาที่ชาวบ้านเราเข้าใจง่ายๆโ ย, ยมไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะเจ้าค่ะ huh. ถ้าคําว่าที่พระอาจารย์บอกว่าทรงไว้ในจิตก็คือน้อมนํามาไว้ในจิตใจของเราแล้วประพฤติปฏิบัติตามนั้นถูกไหมเจ้าค่ะถูกเพลงเลยเอามาทําตามบ้างกันเถอะอย่างบางคนเแม่ตายแต่แม่นี่เป็นคนขยันมากเลย เป็นคนมีความอดทนด้วยโอ้ยไปร้รองห่มร้องไห้อยู่ที่เผาแม่ตลอดเวลาแล้วคิดถึงแม่คิดถึงแม่ก็คุณก็เอาความอดทนแล้วก็ความขยันเนี่ยมาส่งไว้ในจิตของเรานะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเรามีแม่อยู่ในใจเราด้วยเป็นต้นอืเจ้าค่านะอเพราะว่าแม่มีความขยนันมีความอดทนนะเจ้าค่ะอืแล้วโยมยังนึกต่ออย่างนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าข่าว่าสมมุติว่าเราเอาสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของคุณแม่เราเนี่ยมามาสรงไว้ในจิตปฏิบัติตามแล้วเนี่ย แล้วถ้าหากว่ามีใครเข้ามาชมเชยว่าแหมเนี่ยสมกับเป็นลูกแม่จริงๆมแม่ก็เป็นแบบนี้แหละอั น, นิยมคิดว่าจะน่าปลื้มใจแล้วก็เป็ น, นบุญบุเสถียรให้คุณแม่ด้วยถูกไหมเจ้าคะ่ะแล้วคือแม่หรือว่าคนที่เรารักเนี่ยก็ไม่ได้จากเราไปอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวล า, เ, าลเรามีความสบายใจคุณอื่นเห็นเขาก็มีความสบายใจสาธเาุเจ้าคะ่ะเจ้าค่ะนะอภิการถัดไปคุณเนนท์จแหมเรื่องที่แบบเราไอเป็นอะไรเป็นพุทธแท้ๆเป็นคําสอนพระเจ้าแท้ๆเนี่ยมันมีหลายประเด็นะ เราจะขอย้อนกลับไปตรงนี้หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบางคนบอกว่าการประกาศศาสนาเนี่ยเป็นการแบ่งแยกแต่ศาสนาพุทธเนี่ยคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อการแบ่งแยกเข้าใจไหมออย่างการไม่ฆ่าอย่างเงี้ยประเทศไหนเขานับถือศาสนาอะไรเขาก็ย่องย่องกันไม่ฆ่ า, าเป็นต้นการไม่ลักทรัพย์ไม่มีประเทศไหนออกกฎหมายให้ว่าเออคุณลักทรัพย์เถอะไม่ว่าอะไรใครลักได้มากยิ่งดีไม่มีแลนะทุกประเทศไม่ว่าใครเขา ตำหนิติเตียนการถือเอาทรัพย์อันเจ้า ข, ของไม่ได้ให้ดั ะ, ะนั้นถ้าเราบอกว่าเออนี่เป็นศาสนานะั้นเป็นศาสนานี่เป็นศาสนานะั้นโอ้ยมันมีการแบ่งแยกแล้วไม่ใช่ <Okay. S 1> นะเราพูดถึงธรรมะเท่านั้นเองอย่างเราไปหาเลยในพระไตรปิฎกไม่มีคําว่าศาสนานะมีแต่คําว่าคําสอนมีแต่ว่าธรรมวินยัย <ừ. S 1> แค่นั้นเองไอ้ศาสนาศาสนาเนี่เรามาแบ่งแยกโดยนักวิชาการภายหลังเท่านั้นเอง แล้วก็มาแบ่งแยกกันว่าศาสนานี้ทำอย่างนี้ศาสนาเป็นอย่างนี้เป็นงั้นเอาข้ากันด่ากันอ่าหนีเมาละเมาแลเมาศ า, าสนาะละอืเข้าใจไหมอันนี้จะเข้าขเมาศาสนาว่าเออฉันต้องแบ่งกับเธออย่างนี้ถ้ามีการแบ่งแยกมา่อไหร่แตกผิดแล้วไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าทิฏฐิแห่งการแบ่งแยกว่าเออฉันเป็นอย่างงั้นเธอเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนล่วงกันไม่มีตัวตนคุณเตือนใจอนัตตาแล้วเธอจะเป็นอัตตาอะไรอนี้ฉันเป็นอัตตาอย่างนี้เธอเป็นอัตตาอย่างนั้นโอ้ผิดเลย <Okay. S 1> อเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> คําสอนของพระรูชาอาตมาจึงใช้นิยมใช้คํานี้มากเลยคือคําสอนของพระรูชาแค่นั้นเองเราจะไม่บอาศาสนา <Okay. S 1> พูทพุทธศาสนาบูชาพุทธศาสนาโอ้ยก็คือนับถือคําสอนของพระรูชาคําสอนของ <Okay. S 1> คนที่เราจะนับถือคําสอนใครก็ได้สมมติคนนี้เขาสอนเรื่องเมตตาโอโ้เรายกนิ้วให้เลย <c oughs> เขาทำอะไรเขายังละหมานอยู่เขาเขายังนับถือเยซูพระเยซูอยู่ก็ดีแล้วนี่เนื่องมาเขายังนับถือคนที่ทําความดีอาตมามองอย่างนี้นะ คือคือตัวเราอย่างนี้เรามองอย่างนี้เราไม่แบ่งแยกกใครเจ้าค่ะนั่นคือสิ่งที่ที่ถูกที่ควรที่เราจะต้องมองเพื่อนมนุษย์นะเจ้าค่ะใช่อย่างพระพุทธเจ้าเราอ่ะตอนนั้นอะที่ตรัสรู้คุณตื่นใจมีศาสนาอยู่แล้วต้องหกสิบสองศาสนาอืมเจ้าค่ะทำไมัยพุทธเจ้าถูกต้องถูกต้องคทําไมพระพุทธเจ้าสมาสมุทักอย่างเงี้ยสมณโคดมเนี่ยจะต้องไปโอ้เงั้นชั้นประกาศศาสนาที่หกิบสามเมื่อไหจะได้ดีกว่าคนอื่นโอ้โหอันนี้ผิดเลยเจ้าค่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าศาสนาไหนก็แล้วแต่นะ ถ้าคุณยังมีเวทนานะยังมีความรู้สึกนะสุขบ้างทุกบ้างอันนั้นแหะคือความทุกเรามาแก้ตรงนี้กันอืมเถ้าคุณยังมีภาษาคุณต้องมีเวทนาคุณมีเวทนาคุณจะไม่พ้นไปจากทุกได้เรามาแก้ตรงนี้กันนั้นด้วยระบบของการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไม่ว่าใครจะพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่หนีไปจากศีลสมาธิปัญญาคุณตื่นใ จ, จแต่ถ้าเราจะมาพิจเปรียบเทียบกันในระบบของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ไม่มีใครมากไปกว่าสมณะโคดม เพราะนั้นเราก็จึงนับถือคำสอนของสมณะโคโดมที่เป็นพี่เป็นผู้ที่รู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาอย่างละเอียดลึกซึ้งมากแค่นั้นเองจุกค่ะนะประเด็นนี้คือเรื่องการแบ่งแยกนะเราไม่แบ่งแยกอะไรจุกค่ะประเด็นถัดมาคณอจิตใจมีคำถามอะไรในส่วนนี้ไหม ก็ตรงนี้ยมยังเข้าใจอยู่นะเจ้าคะานะก็คือว่าเรื่องที่เราจะนับถือศาสนาเรื่องของคาว่าศาสนานน้นศาสนานี้เนี่ย ม, มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยนักวิชาการภายหลังถูกัหมเจ้าคะแต่เดิมก็คือคำสอนของอผู้ที่เป็นเหมือนกับเป็ น, นประทานเจ้าคะ่ะของของศาสนา น, า น, า น, านั้นๆ ที่แตกต่างกันออกไปเจ้าค่ะเป็นพระธรรมคําสอนก็สอนแตกต่างกันไปแต่ทุกศาสนาก็ล้วนมุ่งหวังให้ผู้ที่เป็นาสาวกนะเจ้าค่ะที่จะปฏิบัติตามนะั้นเนี่ยเป็นคนดีไม่เบียดเบียนคนอื่นอยู่นั่นเองเป็นคนทําความดีอ่เจ้าค่ ะ, ะคือคือเรามองไปเล ย, ยว่าเราคือศาสนาพูดไม่ใช่ที่จะแบ่งแยกอะไรถ้าใครใทําความดีเรายินดีต้อนรับถ้าใครความดีทำความดีเราสันเสริญความดีคือระบบยังไงศีลสมาธิปัญญาแค่นั้นเองเจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้เราก็ไม่ไม่แบ่งแยกกับใครว่าจะต้องเป็นศาสนาอะไรใครทำความดีดีแล้วสนับสนุนมาทาให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะเจค่ะก็เียกาอนุโมทนาบุญไปเลยใช้ค่ะเจ้ค่ะถูกต้องเพราะว่าไงบุญมันมีแน่นอนขอดเข็บไข่ของบุญนะนะอจาต่อไปวระเด็นต่อไปคือเรื่องของคาถามนอะไรต่างๆในบางคนคิดว่าทำปากบุ๊บมิบุ๊บมิบมุ้งยงยงยงแล้วก็เสข้าสารไปเนี่ยอ่าดี๋ยดีละ เดี๋ยวชีวิตจะ น, นี้เดี๋ยววันนี้ฉันไม่ฆ่าสัตว์ได้ฉันก็ไปรักทรัพย์ได้แล้วสบายใจนะ ม, มัน <โย S 1> ไม่ใช่อย่างนั้นคาถาที่พระเจ้าบอกคาถาที่พระเจ้าสอนเนี่ยพวกนี้เป็นเหมือนกับเวลาพระเจ้าตรัสพระสูตรใดพระสุตรหนึ่งออกมาอย่างนี้สมมติสมสมุติพระเจ้ามาสนทนากับคุณเตนใจว่าว่าว่าวาพูดไปพูดไปอธิบายอย่างนี้คุณเตืนใจถามไปเ ง, งี้แต่พระเจ้าก็อธิบายมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็จะตรัสคาถาเป็นการสรุปจบ บ, บทสนทนานั้นเป็นอย่างนี้ก็มี คคถาเนี่ยเป็นลักษณะของเหมือนกรอนแปของเราอ่ะน so จะเป็นคถาเป็นภาษาบาลีนะเขาคือมีคํา no, ว่าคถาขึ้นมาแล้วเรื่อคถานี่ก็เป็นคําพูดธรรมดาในที่เป็นบทสรุปต่างๆด้านเองจุคอ่านี่เราต้องเข้าใจให้ถูกใช่ไหมจุคาค่ะอย่างคาถาตอนที่พระเจ้าตรัสรู้อย่างเงี้ยพระเจ้าตรัสรู้เสร็จพอรู้ตัวเองว่าไม่มีไม่มีตัณหาอย่างเงี้ยก็ตรัสคาถาออกมาคถาหนึ่งนคถานั้นก็บอกว่าเมื่อเรายังค้นไม่พบแสงสว่างมวสอหาในช่างปลูกเรือนอยู่ นะก็ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตนะคือความเกิดแล้วกิด อ, เนอนนะีเป็นเอกฉันท์คนก็ไปตีความว่าเอาเรือนคืออะไรอผู้ที่ปลูกเรือนคืออะไรต่างๆถูกก็<ช>มี<ช>ไม่ถูกก็มีนะค่<ช><ช>บางคนเอาคําของพระที่สวดอธิษฐานอาสวดเวลาเข้าพรรษาไปเป็นคาถานะที่ตัวเองจะทําความเพียรทําให้คนอื่นเป็นเข้าใจผิดอะไรไปซึ่งมันก็เป็นอีกภาษาหนึ่งเท่านั้นเองเข้าใจไหมซึ่ง ใ, ในสมัยนั้นพระเจ้าจพูดภาษาบาลีอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอ่ะะค ท่นี้มาถึงตรงนี้โยมอยากจะขอเรียนถามแทนท่านผู้ฟังนะเจ้าคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าในหนังสือสวดมนต์หลายๆเล่มนะเจ้าค่ะที่เราได้รับแจกมาหรือเราซื้อหามาอ่านเนี่ยเจ้าคะ่ะก็จะมีคาถาแบบมหาเศรษฐีบ้างคาถามหาสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้มันจริงไหมเจ้าค่ะโยมอยากขอเมตตาถามนิดนึงเจ้คาค่ะว่าอาจารย์ตอบหน่อยอพระอาจาเคยพูดถึงการเป็นเศรษฐีนะความขยันเนี่ยเป็นทางห ม, มายาโพคศัพท์ก็มีศีลเป็นทางหมายาโพคศัพท์ก็มี เขาก็พูดพวกนี้ท่านเองแต่ว่าเป็นเป็นภาษาบาลีเนี่ยสมมติเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยบางคาถาเนี่ยนะพูดถึงการระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่เป็นภาษาบาลีนะแล้วเรานึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตอนในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยที่ว่าจะต้องตัดสินใจที่ว่าจะต้องประมูลงานที่จะต้องหรือว่าติดต่อลูกค้าอย่างเงี้ยจิตเราเป็นกุศลจิตเราเป็นกุศลเนี่ยจิตเราเป็นบวกนะจิตเราเป็นบวกในการพูดอะไรคิดอะไรทททํําาาอออะไรเเนนนีีีี่่ยมมัป็็ดดกกใ้หผล แค่นี้เองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อืมเจ้าค่ะคือมงคลเกิดขึ้นเนี่ยจากการที่เราระลึกถึงอคถาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ซึ่งก็รู้ว่าแต่เป็นสิ่งดีทั้งนั้นดังนั้นพอจิตเราดีเนี่ยพอทําอะไรมันก็เหมือนกับเราจะประสบผลสำเร็จมีความสุขความเจริญถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องนี่คือประเด็นนะถ้าคุณไปจับตรงที่ว่าเออเพราะคาถาทําให้เราดีผิดคุณเข้าใจไม่ถูกแต่เพราะว่าจิตของเราธรรมะที่อยู่ ที่ที่เกิดในจิตของเร า, านะเพราะความเป็นกุศลตรงนี้กุศลธรรมที่เกิดที่ไหนในจิตของเราเจานะแล้วอย่างที่เราสวดมนต์คุณเตือนใจแค่ที่เขาสวดมนต์สวดมนต์กันเนี่ยนะคือการเพื่อพูดภาษาโดยรากสัพท์เนี่ยก็คือการท่องบนการท่องบนท่องบนคือท่องบนให้จําคําของพระพุทธเจ้าได้อืจะสวดมนต์เนี่ยเพื่อให้จําคําของพระพุทธเจ้าได้ภนะาษาอังกฤษก็คือว่าเอามาทบทวนเขาใช้ภาษาอังกฤษคำค ำ, คำหนึ่ง นะขึ้นแปลว่าเอามาทบทวนทบทวนก็คือท่องบทนั่นเองสมมติเราต้องการจำศัพท์คำใดคำหนึ่งให้ได้จับอังกฤษอย่างเงี้ยสมัยตอนอาตมาเด็กๆยอมพ่อก็บังคับนะให้ท่องศัพท์บรรดาค้าคี่ยเราท่องยังไงถ้าท่องไม่ได้จะตีอ่าเราก็มาท่องบนท่องซ้ําๆท่องย้ำๆอ่า is mr was were ศัพท์พวกเนี้ยเอามาท่องเพื่อให้จำได้ทำท่องบทบทก็คือสวดมนต์นั่นแหละการสวดมนต์ก็คือการท่องบทนั่นแหละเพื่อให้จำได้จำอะไรจำคำของพระเจ้าได้ นี่คือประเด็นนะคือการสวดมนต์จ้่ค่ะและที่สำคัญก็คือนอกจากจำได้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่ที่ได้เป็นพระคาถาที่สั่งสอนไว้ด้วยถูกไหมเจ้าค่ะใช่ต้องเข้าใจความหมายนะต้องทำตามด้วยใจอย่างเงี้ยมันถึงจะได้ผลนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ อันนี้ยมเข้าใจแล้วนะเจ้าคะ่ะทีนี้มีเรื่องกราบน้ำสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนประเด็นหนึ่งเจ้าคะ่ะที่ยมคิดว่าคงจะพบเห็นกันทั่วไปนะเจ้าคะ่ะอย่างเช่นเราไปทําบุญอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะเห็นก็จะมองเห็นว่าอย่างบางคนก็จะตั้งใจนะเจ้าคะ่ะตั้งใจอย่างมากในการที่จะตั้งเจตอธิฐานหรือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า หลวงพ่อตามวัดต่างๆหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่บางคนก็เหมือนกับไปไหว้ๆไปอย่างนั้นเองอ่ะให้มันโผลๆไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ừ ừ ừ. อันนี้เนี่ยโยมอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ไปบู์เจ้าค่ะว่าตรงนี้เนี่ยบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วก็ เรียกว่าผลบุญเนี่ยเจ้าค่ะมันจะออกมาในรูปไหนเนีเจ้าคะถึงว่าคนตั้งใจดีแต่ว่าเขาอาจจะมีเงินน้อยทําบุญน้อยกว่าคนที่แบบว่ามีเงินเยอะแต่ว่าไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนกับทำไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ๋ออันนี้ไม่ทราบว่าผลบุญที่จริงๆที่เราจะได้เนี่ยในแง่ของพุทธศาสนาแล้วนี่จะเป็นยังไงเจ้าคะกราบมิมนเจค่ะพระพุทธเจ้าเคยตรัสเรื่องนี้ว่าโบนบุญที่เกิดจากการให้ทานนะถ้าผมว่าเรามีอ่า เรียประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างนี้เนี่ยจะเหมือนกับบุญที่เหมือนกับเปรียบเทียบกับน้ําทะเลในมหาสมุทรเนี่ยมันมีมากจริงๆไม่สามารถวัดได้ว่าได้เท่าไหร่ก็เปรียบเหมือนบุญที่เกิดขึ้นมากจริงๆไม่สามารถวัดได้ว่าเท่าไหร่นะรอมันมากนะองค์ประกอบ6ประการเนี้ยสอย่างแรกเนี่ยเป็นโตของผู้ให้นะผู้ให้เนี่ยถ้าประกอบด้วยศรัทธาก่อนระหว่างและหลังมากศรัทธาก่อนมากศรัทธาว่างมากศรัทธาระหว่างมาก แล้วตัวผู้รับเนี่ยเป็นผู้ที่ปราศจาราคาโทสะโมหะหรือกําลังปฏิบัติเพื่อปราศจาราคาโทสะโมหะนะสอย่างแรกกับสามอย่างหลังเนี่ยรวมกันเนี่ยบุญกุศลที่เกิดเนี่ยมากจริงๆไม่ได้พูดเลยว่าถึงคุณต้องให้อ่าหนึ่งบาทได้บุญหนึ่งหน่วยล้านบาทได้บุญล้านหน่วยเฮ้ไม่ใช่ <Okay. S 1> แต่เป็นที่ศรัทธาของเรานืที่อาตมาบอกเมือ่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเตือนใจจาได้ไหมว่าให้เนี่ยต้องให้มากอะไรมากศรัทธาต้องมาก อืมเจ้าค่ะก่อนด้วยระหว่างด้วยหลังด้วยศรัทธามาเป็นตัวที่บ่งบอกถึงเอบุญที่คุณจะได้มากหรือน้อยไม่ใช่จํานวนเงินเจ้าค่ะนะเพราะฉะนบางคนบอกเอ้ยฉันมีเงินแค่นี้เองอ่ะน้อยแต่ศรัทธาคุณน้อยแล้วนะศรัทธาคุณน้อยคุณดูหมิ่นทานของตัวเองนั่นเป็นมลทินอืมเจ้าค่ะมลทินทําไงาให้เศร้าหมองนะทําให้ทานตรงนั้นเนะ่ะบุญที่เกิดขึ้นก็เป็นบุญเศร้าหมองเศร้าหมองอืมเจ้าค่ะแต่ก็ได้บุญแหละ แต่ว่ามันเจ้ามองไปนิดนึงเพราะว่าเราไปดูถูกศรัทธาของ<ช>เราเองมี ม, มีชาวนาคนหนึ่งคุณตนใจเป็นคนเลี้ยงควายเจ้าค่ะโอ้ไม่มีเงินเลยไม่มีเงินน้อยมากเขามาหลีกในวันบัตดทําที่วัดอ่ะคุณตนใจเอ้เจ้าค่ะมีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนั้นเองเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาขายควายได้ตัวหนึ่งได้เงินหมื่นกว่าบาทเขาจะมาทําบุญที่วัดหนึ่งมืนบาทหนึ่งหมืนบาทสําหรับคนคนไม่มีเงินเนี่ยมันมากนะ บางทีเราอาจจะบอกว่าสมมติคุณเงินเดือนซักแสนหนึ่งเงี้ย10ื่นบาทนี่ไม่เท่าไหร่อะไรีคิดป็นติ๋วสิเแต่ว่าสําหรับคนที่มีเงินน้อย10ื่นบาทนี่มากนะแล้วเขามีศรัทธามากจริงจริงตรงนี้บุญเกิดขึ้นในจริงของนี่มากจริงจริงแต่ให้เงิน10ื่นบาทนี่ไม่ได้มากอะไรนะแต่แต่ก็มากอยู่จำตัวเขานะทีนี้ว่าถ้าสมมุติเราเรามีเงินยี่สิบล้านเงี้ยคุณมีเงิน20บล้านคุณจะทําสักแสนหนึ่งเงี้ยไม่ไม่กระตือรเลยโอ้ยแสนหนึ่งให้ให้ไปเถอะไม่มีหนาอะไรบุญที่เเเกกิดนนนนยยย้้อพราะมั็ให ไม่ได้มีศรัทธาไม่ได้มีศรัทธาไม่ได้มีความตั้งใจใช่ไหมคใช่ใชเพราะ้นเราจะเปรียบเทียบเลยว่าเอมากหรือน้อยเนี่ยไม่อยู่ที่จํานวนเงินพระเจ้าไม่ได้บ่งบอกถึงเรื่องนี้เลยแต่บ่งบอกถึงศรัทธาในจิตของเราสุขาอ่าแล้วความตระนีคุณเอาออกได้มากไหมล่ะถ้าคุณยังให้แสนหนึ่งเนี่ยวังว่าเออฉันต้องมีชื่อติดนะแล้วก็แหมอยู่ไปอย่างงี้นะแล้วก็อต้องให้คุณหนึ่งเขารู้ด้วยนะแล้วก็มีใบต่างๆนี่ให้มาด้วยนะเดี๋ยวไปเขาเรียกว่าอะไร ลดห่อนภาษีด้วยนะอโอ้โหนี่มันตหนีมากเลยนะทั้งจะขอว่าสีรถ ด, ด้วยแล้วจะเอาหน้าอีกนะโอ้แล้วแล้วถามว่าศรัทธาอยู่ตรงไหนคือศรัทธาก็จะย่อยเอ่อก็เรียกว่าลดทอนลงไปาตามาความตระหนีที่มันมากขึ้นมาอืมใช่ค่ะดังนั้นก็สรุปว่าถ้าเราจะทำบุญหรือว่าตั้งใจจะทำบุญทำทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมากน้อยไม่สาคัญแต่อยู่ที่ศรัทธา แวความตั้งใจจริงของเราจริงๆใช่ไหมเจ้าคะที่จะรู้สึกอนุโมทนาบุญตั้งแต่ก่อนที่เราจะทําบุญระหว่างที่ถวายจริงๆกับหลังจากที่ถวายทําบุญไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงว่าเสียด้เงินเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะก็จะทําให้บุญเนี้ยได้เต็มโดยที่ว่าเราก็มีความเพื่มปิติอยู่ถูกไหมเจ้าคะมะบีบางหลายๆคนนะจะพูดถึงสรุปเรื่องทานตรงนี้ว่าบอกว่าเออมีน้อยก็ มีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยหรือไม่ต้องให้ไม่ใช่เราพูดอย่างนี้ไม่ถูกะนะเราบอกว่าเรามีศรัทธาเราก็ให้ตามกําลังที่เรามีนะแต่สิ่งที่ต้องให้เนี่ยคือต้องให้มากคือศรัทธาต้องมากออืเจถึงจะถูกต้อ ง, องนะตามพุทธวจนะตรงนี้ออืเจ้าค่ะอย่างนั้นที่พุทธศาสนิกชนเราหรือชาวบ้านเราบางทีพูดว่าก็ให้ตามกําลังศรัทธานี่ก็คือศรัทธามากก็ก็แล้วแต่มากน้อยแล้วแต่เราถูกไหมเจ้าค่ะอ่าเจ้าค่ะ ตอนนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ฟังรายการธรรมราพรุณอยู่ก็คงจะเข้าใจในจุดนี้แล้วนะคะแล้วก็คงจะได้รับทราบรายละเอียดบางช่วงบางตอนที่คิดว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะหลงผิดไปหรือว่าเข้าใจผิด ในคำสอนของอ ง, องค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้ารายการธรรมาราปรุญในเช้าวันนี้โดยพระอาจารย์ไพบุณอภิพุโนท่านก็ได้มาสากชาหรือว่าชี้แจงแสดงธรรมให้ได้รับความกระจ่างไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าเราจะกลับมาพบกันเหมือนเคยคะ่ะโดยมีเรื่องราวทางด้านศาสนาที่ดีที่จะมาเล่าสู่กันฟังเพื่อท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้น้อมนาเอาไปปฏิบัติ แล้วก็ดําเนินรอยตามที่องค์พระสะมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างแท้จริงตามพุทธวจนะตามพุทธโอษกันจริงๆนะคะค่ะสำหรับในช้าวันนี้เดชันก็คิดว่าคงจะต้องถึงเวลาที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะกราบแทบเท้าขอบพระคุณแล้วก็กราบนรมาสการลาพระอาจารย์ไพบูรณภิปุโนโะพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบททัติธรรมริกเลนตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษของ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งวัดป่าดอนหายโศกตัมบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะวัดนี้มีพระเดชพระคูหลงพ่อดรสะอาดที่โตภโซหรือท่านพระคูสิรษฐีปภากอท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบลาเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เจ้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะเวลาเดิมตีห้าครึ่งตีห้ถึงตีห้ครึ่งเหมือนเดิมค่ะกราบนมัสการขอประคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขาพระเจ้าขาเชิญปอนสาธุเจ้าค่ะ